แต่ไม่ได้รับพุทธเทยาก่อนเลยสมมุติเนี่ยนะเราเนี่ยถ้าคิดในใจที่เราจัดทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยถ้าเราคิดถึงสิบห้าปีแล้วไม่สำเร็จนะเราเลิกล้มไหมเลิกล้มไหมอาพูดออกไมาอีกสิบห้าปีแล้วก็ไม่ได้เนะี่ยเราจะเลิกล้มไหมโดยมากเลิกล้มใช่ไหมได้มากเลิกล้มเอาขนาด ศาสนากรรมะคุณเรายังเลิกล้มเลยอเห็นไหมเราจะได้เห็นอะไรอะไรตักเตือนทําให้ไม่เลิกล้มมหากรุณาที่คุณตักเตือนสงสารตนเองหรือสงสารคนอื่นคนเราที่มีกรุณาตักเตือนเนี่ยทนไม่ไหวนี่เราไม่เคยเป็นหรอกใช่ไหมเราไม่เคยเป็นหรอกว่าเวลาเห็นคนอื่นเขาทุกเนี่ย เห็นเขาอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเห็นเขาต้องยิน น, นะว่าไปเห็นคนอื่นเขาโงา่เขาติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้กรุณนามากอยากจะช่วยเขาอยากจะเหมือนจะอยากจะแกะตัวมิจฉาทิฏฐิเขาออกเอาสมมาทิฏฐิอัดเข้าไปเหมือนกับเราลบข้อมูลใหม่แล้วก็อัดข้อมูลใหม่เข้าไปอะ อยากจะทําอย่างนั้นปราตะนาจะทําถ้าคนที่มีกรุณาไหมเห็นคนไม่มีเสื้อก็อยากจะเอาเสื้อให้เขาเห็นคนที่เขาพิการก็อยากจะไปช่วยเขาให้พ้นจากความพิการเห็นเ้าหนาวก็อยากจะทําให้เขาอุ่นเห็นเ้าหิวก็อยากจะทําให้เขาอิ่มนี่คนที่เขามีหมากรุณาหรือมีกรุณาตักเตือนก็จะเป็นอย่างนั้นเห็นสัตว์ทั้งหลายกําลังจมปักอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยก็สะเทือนใหญ่เห็นไหมท่านมีอภัญญาเห็นเห็นสัตว์กําลังร้องโอดควรไปถ้าเราเนี่ยนะ เราสมมุติว่าเราได้อภิญญาไม่ต้องได้อิญยาล้ว เ, เอาเรารู้เลยเนี่ยในโลกใบนี้คนหิวโซจะตายกันเยอะแยหมดเนี่ยเราเฉยๆไี่ไม่เห็นสะเทือนใจอะไรเลยใช่ไหมนู่นได้ข่าวแผ่นดินไหวน้ำท่วมบังตายกันไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหน่าสงสารเนาะแล้วก็งเงียบไปหมดแล้วทาทีกระตือรือร้นอยู่แป๊บเดียวแล้วใช่ไมนีกยิ่งบางคนบอกไปเช็คดู พอ้ยเขาได้ข่าวว่ามีการมีรถชนกันเนะ่ยบาดเจ็บลองเช็คดูที่มีลูกเรามหมเราเช็คเป็จเสร็จอ๋ไม่มีมแล้วมีญาติเราไหม ไ, ไม่มีจบแล้วโอพอดีไปไม่มีญาติของเรามีแค่นั้นใช่ไหมนี่สายตาเรามันสั้นนะแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านรู้ว่าท่านผู้นี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเคยเกี่ยวข้องเราในฐานหลายฐานนะเพราะท่านมีกรรมสกทาสมาธิที่ชัด กระุณานี่ก็ตักเตือนบอกว่าเราพน้นทุกแล้วจะให้คนอื่นพน้นเราข้ามได้แล้วจะให้คนอื่นข้ามเราออกจากสังสารวัตได้เราจักให้คนอื่นออกจากสังสารวัตนี่คนที่คิดแบบนี้อเขาเรียกกระุานตาตักเตือนกระุณาตักเตือนท่านจับบรรลุกคนเดียเหมือนคนบางคนบอกวถ้าตนเองด้วยกาลังเรี่ยวแรงของตนเองเนี่ยสามารถว่ายข้ามได้ แต่ปลาธนาจะสร้างเรือลำใหญ่บรรทุกคนข้ามไปด้วยนี่ความคิดในร่างคือลาแพเล็กๆเรือเล็กๆเนี่ยทำแป๊บก็เสร็จเพราะตนเองมีความสามารถและฉลาดสามารถจะไปได้ด้วยแต่ไม่เอาเพราะเห็นคนที่อยู่ในฝั่งนี้มันเต็มไปหมดแล้วมันละงมวิ่งท่านกันหมดไม่สามารถจะข้ามได้เพราะต้องถูกมัจจุราชท่ำหันใช่มมัจจุราชทําหัน มีทั้งขันทัมมานหําหันกิเลสสมาลห้ามหั น, น, หหนอภิสังขารละมานก็ห้ามหันมัจจุมาลและเถรปู็ห้ามหันกระแสขั น, านธาไดยทนาของท่านเหล่านั้นเต็มไปหมดถ้าตนเองจะหนีไปคนเดียวเนี่ยเหม่ไม่ใช่บุรุษอาชาในก็เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะตอนที่ท่านเป็นพยาลิงเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเกลี่ดูทีท่านไม่เคยทิ้งเนี่ยบ่งบอกถึงมหากรุณาตักเตือนแล้วก็ต้องมาคิด มาคิดมาพิจารณาดูความคิดในลักษณะอย่างนี้จะให้เกิดความเข้าใจแลวจะได้เห็นคุณของพระเจ้าถ้าเราไม่คิดเลยนะศึกษาคาสอนไม่คิดไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาเนะเราจะเห็นคุณได้ยังไงเหมือนเราจะไปไหว้พระที่อินเดียเนี่ยไปสิไปก็เป็นเห็นหิดอิดหักหักนะหินเก่าๆไปเห็นก็เห็นที่โลง่ลงๆแล้วเราจะเจาะ ความเข้าใจให้ถึงได้ยังไงถ้าเราไปเห็นที่พระแท่นวชชะอาตเราบอกที่ตรงนี้พระบรมศาสดานั่งบัททับตัสรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณกว่าจะได้มานั่งนะตรงนี้เสีส่สงไข่ยี่สิบประสงไข่สี่สิบแปดสิบยังไงคิดในใจยังไงเป่งวาจา ย, ยังไงทั้งกายวาจาใจยังไงรวมเบ็ดเสร็จยี่สิบยังไงพระองค์ทําอะไรมาบ้างเนาะถึงไม่ได้ตัสรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ตัสรุอะไร สติปทานสมบูรฐานอิทิบาทอินทรีย์พราพโอชงอริยมรรคบีองค์8ประชุมในกระแสะขันธ์าตอายตนะของพระองค์ณนะวันนี้อย่างนี้อย่างไรเมื่อพระองค์ได้ตัสรุนุตร า, ส, ารสัมาสัมโพธิญาแล้วพระธรรมก็เริ่มหลั่งไหลออกจากกระแสะขันธาตอายตนะของพระองค์อย่างไรและตอนนี้พระธรรมยังคงอยู่ยังทํากิจแทนพระศาสดาอย่างไรเราเห็นพระธรรมของพระเจ้าที่กําลังไหลเป็นในกระแสะขันธาตอายตนะของสมาธิฏฐิบุคคลไหม ถ้าเห็นแสดงว่าเราเห็นพระาศาสดากําลังทํากิจอยู่ใช่ไหมในจั ก, กรวาลทั้งเส้นที่มีกลุ่มสมาธิกที่ทั้งหลายท่านเหล่านั้นกําลังพุทธคุณกําลังสว่างจ้าในห้องใจของท่านเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแต่ในห้องใจของเราท่านทั้งหลายเราจะเปิดแสงสว่างในใจของเราเห็นคุณของพระเจ้าได้ยังไงแล้วก็มา น, นั่งคิดแต่ทําไมมันมืดมิดมองไม่เห็นคนุณเนี่ยนะเราก็มาพิจารณาแล้วแต่นี้เอ๊ะทำไมไม่เห็นก็วิปริมาณของความเข้าใจมันน้อยก็ฟังใหม่ ในสุดจริงๆเดี๋ยวก็ได้ใช่ไหมดอกเตอร์ระ ด, ดาทำไ ม, มต้องทักรู้มะฮะเมื่อกี้ถีน่มิทักเล่นงานหรือเปล่าแสดงว่าศรัทธายังอ่อนใช่ไหมเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยทักออกมายอย่างนี้ต้องไปลบออกเลยเขาบันทึกแล้วลบอกแม่ท่านอาจารย์เตือนแรงได้เกินก็ คือตรงนี้ตรงนี้จริงๆนะบางทีมันเห็นไหมว่าบางครั้งตั้งใจนี่แหละเขาเรียกว่าสมาธิมากเขาว่างันเ <c oughs> ชื่อไหมว่าสมาธิมากแล้วถ้าเป็นปัจจัยในการหลับง่ายจริงไหมสมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเดี <c oughs> ยรี่ต้องการอยากให้รู้ตรงเนี้เวลาเราจะเดินจะได้เดินถูกเข้าใจใช่ไหมจะได้เดินได้ถูกว่าเพราะสมาสมาธิจักไม่เกิดร่วมกับ ทีนามิทาแต่ามิทฉาสมาธิเขาจะเกิดร่วมกับทีนามิทาอุทธจกักกุกุจกแล้วก็ความฟุงซันทั้งหลายใช่ไหมฮัลโบรรดาทิถีทั้งหลายก็เกิดร่วมกับมิทฉาสมาธิแต่อย่าลืมนะว่าคำว่ามิทฉาสมาธิเนี่ยกินไปเยอะเป็นสาชาแต่ปัจจัยกับมิจฉาทิฐีก็ได้และมีมิทฉาทิฐีเป็นอุปนิสยาปัจจัยก็ได้ เห็นไหมเช่นมหาคตาจิตก็เป็นมีอกุศลเกิดร่วมไหมไม่มีเห็นไหมแต่อํานาจของมิจฉาสมาธิเนี่ยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิในริแวดล้อมมากเขาไม่เข้าใจว่าจะเอาฐานของสมาธิเป็นประทัดฐานแกการแทงตลอดอริยสัจยังไงนั่นแหละเขาเรียกเป็นมิจฉาสมาธิทั้งๆที่ตัวมหาคตาจิตนั้นมิจฉาทิฏฐิไม่เกิดร่วมแต่มีมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิเป็นอุปนิสัยปัจจัย เป็นปัจจัยแวดล้อมเยอะหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็ศึกษาค่อยๆศึกษาคำว่าค่อยๆในที่นี้ก็คือวิธีคิดเนะี่ยให้พิจารณาเป็นไปตามลำดับแต่ไม่ใช่ว่าค่อยๆนานๆคิดค่อยๆไม่ใช่แปลว่าเรียงลำดับคิดเรียงลำดับคิดให้ถูกแต่ให้คิดทุกทุกวินาทีทุกชั่วโมงได้ยิ่งดีเนี่ย อย่างนี้ก็เรียกค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างเราค่อยเป็นค่อยไปบอกว่านั้นเรามันเรามันแก่แล้วค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นนะนั้นตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นมีกรุณาตักเตือนพว้มีอภินิหารในกระทำแล้วเพื่อจะขนสัตว์ออกจากเปลือกตมคือสังสารวัตสังสารวัตที่ชื่อว่าเปลือกตมเนาะคําว่าสังสารวัตรเนี่ย ที่จริงเป็นชื่อของขันธ์าตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายเขาเรียกว่าสังสารวัตในคัมภีร์สารัตทีปณีดีกาดีกาพวินัยท่านจะอธิบายคำว่าสังสารวัตเขาไว้ว่าสังสารวัตนั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันธาธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายนั่นแหละเรียกเ ร, ยเรียกว่าสังสาร ฉะนั้นในสังสาระต่างๆเหล่านี้ที่มันมีการเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายนี่แหละเขาเรียกว่าวัตตะเขาเรียกวัตตะทีนี้วัตตะนี่ที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายเนี่ยแปลว่ามันไม่ขาดมันไม่ขาดตอนมาจากคําว่าคันธนังปฏิปปิจารธาตุอายตนาณาจาร อภอดชินนังวัตมานาสังสาโรติปวจติบอกลำดับแข่งขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ธาตุมีรูปประธาต์เป็นต้นเนี่ยนะจนถึงมโนญาณธาตุเป็นที่สุดและอายตนะมีจัก ข, ขวายาตนะรูปปยาญตนะเป็นต้นป็นถึงมานายาตนะและธรรมายตนะเป็นที่สุดเนี่ยลำดับแข่งขันธาตุอายตนะเนี่ย ที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระเห็นไหมสังสาระนี่ก็คือเป็นลําดับเห่งขันธาตุอายตนาที่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายนั่นเองทุกวันนี้ทัศนาสัน ต, ติเห็นไหมเกิดขึ้นสืบต่อกันไปตามลําดับไหมทางทวารตาทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและจินตนาสัน ต, ติมันก็คิดมนอยู่ ไม่มีความคิดของสัตว์โลกเนี่ยหยุดสักทีเลยเป็นชวนาตกจากกระแสชวนะลงผวังในผวังก็คิดอยู่นั่นแหละแต่คิดแบบในผวังนะแล้วก็พอมีอารมณ์อะไรต่างๆในปัจจุบันนพบมากระทบก็ผุดคิดขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมกระแสขันท่าในยุทธนะไม่เคยหยุดเลยพบชาติก็ขวางไม่ได้เพบชาติก็ขวางไม่ได้การตายอย่างเราท่านทั้งหลายเรียกว่าสตายแบบสมมุติหนิ ตายแบบสมมุตินะีการขาดลงระหว่างชาติหนึ่งต่อชาติหนึ่งไม่ได้ตายแท้มันเหมือนตัดต้นไม้ที่มันยังไม่ได้ถอนรากอะ่ะมันก็ขึ้นอีกตัดแล้วก็ขึ้นอีกตัดแล้วก็ขึ้นอีกโอ้โหมนุษย์นี่เป็นพันนามาตะแท้ใช่ไหมไม่ตายอะ่ะบงคนพอพูดอย่างนี้โอ้ยคอยอยังช่วยน่าชื่นใจใช่ไหมจะได้หายใจนานๆคิดอย่างนี้หร้วเ่าถ้าไปหายใจในนรกอะ่ะ ชอบไหมเอา้าบางโอ้โหบางทีวันก่อนนันมาก็นั่งรถกลับวันก่อนที่ไปบรรยายแล้วกลับเขาบรรทุกหมูโอ้โหสองชั้นเลยรถแล้วเวลาเขาวิ่งเนี่ยมันจะเ อ, เอาปากออกมาข้างนอกนะมันจะร้องอย่างดังเลยร้องร้องร้องอย่างดังเลยรถก็ไปติดตรงนั้นด้วยนันมาก็มองก็เลยเปิดกระจกฟังเสียงมันร้องนึกโอ้โหสะท้อนใจเลย คือมันร้องเราได้ยินอยู่แล้วขนาดขนาปิดกระจกยังได้ยินแล้เปิดโอ้โหร้องดังมากเขาตกใจอะตกใจเสียงรถตกใจมันก็ร้องถ้าเป็นเราจะคิดยังไงที่มันร้องนะเ อ, าเอา้ายมวรวาจะคิดยังไงฮะเอาคิดยังไงถ้าเห็นหมูมันร้องอะจะคิดงไงที่มันร้องมันบอกอยังไง ร, รู้ไหมมันบอกว่าท่าน แต่ก่อนเนี่ยผมเข่งครัดกว่าท่านอีกมันบอกกันมาเนี่ยด้วยความประมาดด้วยการที่โผว่าเราเนี่ยข้าพเจ้าไม่สามารถจะร่าราคาโทสะโมหะได้ก็าด้ความประมาทแท้ๆจึงทำให้ข้าพเจ้าต้องเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องกำลังจะถูกเอาไปเชือดอยู่เนี่ยวางั้นแต่ท่านก็อย่าประมาทนะเพราะท่านก็ยังไม่พ้นจากการที่ต้องเป็นเหมือนเราแอ้มาก็โอ้โหมันบอกอัถฐเราอะ แล้วอ่านได้ไหมอ่านอาถาได้ไหมมันบอกอย่างนี้แล้วมันบอกบอกว่าท่านอย่าลืมเอามาบอกยอมด้วยเนอะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะไอ้มาก็บอกเรียบร้อยแล้วจะใครจะคิดได้แล้วไม่ได้อมาทำกิจเสร็จแล้วแต่เราไปคิดให้ออกนะใช่ไหมจ้าแต่เราคิดไม่ออกเราก็เออคิดไม่ออกแต่มา บอกมันบอกว่าช่วยบอกคนต่อไปด้วยามันก็บอกเสร็จแล้วเราจะไปคิดต่ อ, อยังไงเอาถามว่าสัตว์เดรฉ า, านไปเพราะอะไรมิจฉาทิฐิเพราะมิจฉาทิติท่านตรัสว่าพุทธเจ้าตรัสว่ามีคติเป็นสองสัตว์นรกกับสัตว์เดรฉ า, านเอาสิมิจฉาทิฐิมีคติสอง ตอนนี้เราเป็นสมาธิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนนี้เป็นสมาธิแล้วเนาะโอ้ยสาธุแล้วรักษาให้ได้นะสมาธิเนี่ยใช่ไหมอพอบอกสมาธิเสร็จแหมเราพูดดังไปมีคำว่าเราขึ้นมาอีกเสร็จเลยในเนี้ยนะคือคือตรงนี้ต้องถอดรหัสมิจฉาทิฏฐิออกให้ได้โดยวิปัสนาสมาธิถ้าถอดออกไม่ได้นะโอ้าน่ า, น, าน่ากลัวมาก น่ากลกัตรงนี้ก็คือว่าไอ้มามองในกาเหลือสามสิบนาทีเอ๊ะพอบอกว่าเหลือสามสิบนาทีจะได้หยุดแล้วนี่เราชื่นใจไหมอย่าถ้าชื่นใจแวบนี่เป็นโลภะนะนั่นแหละใช่ไหมถ้าบอกโอ้โหอยากจะตรึกถึงคุณของพระเจ้านานๆจบเร็วจังอย่างนี้อันนี้เป็นสมาธิที่นะัแล้วเป็นยังไง รู้สึโอ้โหตั้งนานแล้วไม่ได้พังกี่ด้วยไปไปเลยตอนนี้ตรงนี้ก็คือในกรุณาคุณเป็นเบื้องต้นอย่างพุทธคุณทั้งสิ้นดังที่ได้กล่าวนนะด้วยดังกล่าวนั้นในคัมภีร์ในทางด้านที่ท่านรจนาก็ไว้ท่านจะบอกบอกว่าที่แม้แต่พระพุทธทั ต, ตะท่านก็อภิวาสพระพุทธเจ้าผู้มีพระกรุณาที่คุณพระปัญญาคุณนาหาที่สุดไม่ได้พร้อมได้พระธรรมและหมู่อริยสงฆ์โดยเสียกล่าว แม้พระพุทธโคศะท่านก็นมัส ก, การแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งผู้กรอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณและผู้ทรงกระทํากรรมที่ทําได้ยากตลอดกาลนับโดยประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกรธกับถึงซึ่งความยากลําบากเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเป็นต้นฉะนั้นในคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาพระอาจารยาจารย์ทั้งหลายท่านก็ยกข้อความไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็พารนาเส้นทางแห่งการเดินทางอันยาวไกลของการ เป็นพระพุทธเจ้านะท่านบอกบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาได้ง่ายงาย่การตัดสุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาด้วยความยากด้วยความลำบากยิ่งนักต้องใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเส้นทางแห่งการสร้างบารมีตามคัมภีร์สัมภารวิบากเนี่ยนะ สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดากว่าจะได้ตัดรู้ปรมาพิเศษสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นบอกเกิดแห่งพุทธคุณอย่างมากมายเป็นอนเนกนั้นหาประมาณไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสร้างความเพียรความอาหารอุตสาหะในการที่จะบ่มโพธิญาณนะบารมีธรรมที่ยั่งยืนไม่เสื่อมถอยเป็นเวลาอย่างช้านานทีนึพระผู้ทมีพระเจ้าของเรานั้นเป็นพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ คือทรงยิ่งด้วยพระปัญญาคำว่ายิ่งด้วยปัญญาในที่นั้นก็ว่าปัญญีรีในแรงแก่กล้ามากถ้าเรามาพิจารณาดูเนว่าปัญญีสีเนี่ยคือตัวปัญญาในแก่กล้าเขาเรียกปัญญาที่กะไม่ใช่ศรัทธาแก่กล้าไม่ใช่วิริยะแก่กล้าแต่ปัญญาีนแก่กล้ามากลองคิดดูที่คนมีปัญญาเร็วเนี่ยนะ ปัญญาแก่กล้าและปัญญากว้างขวางมีปัญญายิ่งใหญ่มีปัญญามากมีปัญญาประดุดดังขุนเขาภาษาริบุตรนิพนธ์นาปัญญาของพระพุทธเจ้าไว้ในคำพี์ปฏิสัมพิธามากก็มีในคมภีร์มหานิเทศก็มีแม้ในชั้นของพรอดีกาอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เอาคําของภาษาริบุตรมามาขยายขยายต่ออีกมากมายว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาว่องไวมีปัญญารั่นเร็วเป็นต้นเหล่านี้ มีปัญญาในการจำแรกกิเลสทีนี้ถ้ามาพิจารณาดูปัญญาเนี่ยให้สังเกตดูตอนที่พระองค์สร้างบา ร, รมีมาได้ยี่สิบประสงค์ขยยิ่งโดยแสนกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิบตาเห็นพอมีบุตรปุ๊บแล้วออกบวชเลยเห็นไมอายุยีิบเก้าเท่านั้นแหละความรั่นเร็วของปัญญาเนี่ยตัดสินใจเร็วมากเนี่ยคือความแก่กล้าของปัญญาไม่รอเวลาเลยอ่ะออก ปุ๊บอย่างเร็วเลยอ่ะทั้งๆ ท, ที่เวลายังไม่ถึงอีกหกปีจะถึงเวลาตัดสรุปแต่พระองค์ก็ออกมาก่อนเลยในความรันเร็วของปัญญานั่นจะได้รู้ว่านั่นคือความรั่นเร็วของปัญญาเนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะเขาเรียกปัญญิีสีปัญญาพราณี่แก่กล้ามากเหตุที่ปัญญีสีปัญญาพระแก่กล้าเพราะมาจากสมาธิก็แข็งแรงมากสติก็แข็งแรงมาก วิริยะแล้วก็ศรัทธาเป็นต้นก็แข็งแรงเป็นต้นเหรอเนี่ยนะบุคคลที่มีปัญญีนซีแก่กล้านั้นปรากฏพระองค์นั้นสร้างโพธิญาณเนี่ยนะีสร้างเพื่อจะได้สัมมาสัมโพธิญาณหรือบ่มเพราะโพธิญาณเนี่ยปาฏณาพุทธภูมิเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ปัญญาแก่กล้าก็ไม่ได้สร้างอย่างรวดเร็วนะต้องใช้เวลาในการจะบ่มเมล็ดแห่งโพธิเนี่ยยี่สิบประสงคขายยิ่งด้วยแสนมหมากับก็คือปราถนา ที่บอกว่าอยู่ในใจเน่ยคิดอยู่ในใจที่เรียกว่ามโนปนิธานเจ็อสองไขวจีปนิธานอีก9อสองไขวรวมเป็นเศษสิบหใช่ไหมแล้วกายวาจาอีกก็เป็นอสอี่สงไขยรวมเป็นออยี่สิบสงไขยพระคันธารจนาจารย์ได้ประพันธ์ไว้เป็นคาถาที่บอกว่าจินติตังสัตตสังไขยงังนวสังขยาวาจิกัง กายวาจาสิกังจาติพุทธตังสมุปาคมีบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเราคิดในใจในเจดอสงไขยเปร่งวาจาอเก้าอสงไขยทำด้วยกายและวาจาอสี4อสงไขยแสนมหากับจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ระยะการตั้งแต่ศาสนาของพรหมเทวะ ซึ่งเป็นสมเด็จมงกุฎปุรณสากยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็อสงไข่เป็นการปรารถนานะตั้งแต่สมเด็จพระมิงมิงมงกุฎปุรณาสากยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังกรในเก้นี้นะเป็นการปรารถนาด้วยวาจาตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังกรจนถึงพระพุทธเจ้าปทุมมุตระในสี่อสงไข่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระถึงพระพุทธเจ้า มันนามว่ากัดสปะอีกแสนกับรวมเป็นเสียสงไขยอีกแสนมหากับเป็นการปรารภด้วยกายดวาราจาที่แยกออกเป็นสาการดังที่ได้กล่าวทีนี้ถ้าพิจารณาเริ่มแรกตอนที่เริ่มตั้งมโนปณิธานปราถนาพุทธภูมิในใจครั้งแรกในกรณีเสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มที่ได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยนะแบกมารดาข่าม้าสมุทรเนี่ยที่ถ้ย่อเรื่องไม่รู้ใครยังจําได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่นะ อดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนยากจนเข็นใจอยู่ในเมืองคันธาระใช่ไหมเก็บผักหักฟืนด้วยตนเองจากป่ามาขายเลี้ยงมารดาอยู่มาวันหนึ่งกำลังแบกของหนักมาถูกแดดเผาก็กระหายน้ำหิวน้ำก็นั่งพักที่โคนต้นนิโคตต้นไซหรือต้นกลางรำพึงว่าขณะนี้เรายังมีเรียวแรงแข็งแรงบทนได้ ความทุกข์ร้อนต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะทนได้เลี้ยงดูแม่ได้แต่ในเวลาที่เราแก่เท่าลงไปแล้วเนี่ยหรือในเวลาเจ็บไข้เราไม่อาจจะทนความทุกข์ทนความเจ็บปวดทนความทรมานได้เราควรจะไปเมืองสุวรรณภูมิกับพ่อค้าเรือเนี่ยนะเพื่อจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงมารดาให้ได้รับความสุขเนี่ยนะ เมื่อคิดแล้วก็พามารดาลงเรือสำเพอในเรื่องย่อก็เป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ยแล้วก็ในวันที่เจ็ดเรือก็อับพลังดังที่ได้กล่าวครั้งนั้นพวกพ่อค้าถึงความวินาศสิ้นพระโพธทีศัตว์ก็แบกมารดาว่า้ข้ามมหาสมุทรครั้งนั้นพรมสุดทาวาาคิดว่าล่วงไปหนึ่งสงขขยบุรุษบุคคลใดที่จะเกิดมาเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งสามารถจะตัดสู้เป็นพระเจ้ามีไหมก็คิดในที่สุดจริงๆก็นี่แหละเข้าไปในไข่ ของอภิญญาของท่านและในหนสื่จริงๆท่านก็ดนจิตให้ตั้งปรารถนาตรงนี้เราพระโพธิสัตว์นั้นพรหมดนใจก็เกิดความคิดในใจบอกว่าเราตัดสู้แล้วจะให้ผู้คนอื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยแล้วก็ไหว้ข้ามมาสมุดได้สองสาวันถึงฝั่งพร้อมด้วยมารดาพระโพธิสัตว์เลี้ยงมารดาจนสิ้นชีวิตก็ไปบังเกิดในเทวโลกนี้นะ ฝ่ายมารดาโพธิสัตว์ก็ไปตามยถากรรมดังที่ได้กล่าวนั่นคือปฐมจิตตูบาต์ปฐมจิตูบาตบาในครั้งนั้นเป็นมหากุศลกุศลจิตูบาทที่มีพุทธคุณหรือมีสัมมาสัมโพธิญาณนะเป็นเป็นประทัด ฐ, ฐานในการคิดเป็นเหตุใกล้เพราะการตั้งจิตอย่างนี้ก็เป็นอธิฐานนะบารมีนะอธิฐานนะบารมีที่คิดในใจเนี่ยเขามีอะไรเป็นประทัด ฐ, ฐาน มีสัมมาสัมโพธิญาณเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ถ้าคิดอย่างเงี้ยใหถามเราทั้งหลายที่นงนางมีใครเคยคิดแบบนี้บ้างไหมกล้าคิดั้ยไม่กล้าบอกใครเดี๋ยวไปแอบบอกไอดามาข้างหลังกัน <laughs> ไม่อยากเห็นหน้าเห็นตายิางชี้ม่นใช่ไหมแต่ไปบอกกับอกกอันนี้แอบคิดมานานแต่ท่านจะบอกใครนะอะไรมาจะไม่บอกใครหลอ ใช่ไหมเาบุคคลใจรักจริงนะคือปรารถนาเคยคิดไหมว่าเราตัดสู้แล้วจะให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วยเราพน้นเราข้ามเนีแล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามเราพ้นแล้วจะให้บุคคลอื่นพนน้นด้วยสังสารวัตรมีภยัยเคยคิดไหมไม่กล้าเลยเลยแต่ให้มีข้อมูลนะให้คิดแบบมีข้อมูลไม่ใช่คิดแบบไม่มีข้อมูลไปนั่งนับอะสง์ไข่กลับให้ดีดูสังสารวัตให้ชัดนะแล้วก็ แล้วก็ศึกษาคำสอนพอศึกษาให้ละเอียดเลยนะตั้งใจบำเพ็ญทั้งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีได้เวลาก็นเน่คัมมาบา ร, รมีนะเวลยคันติสัจปัญญาแล้วก็ว่าไปตามลาดับยังเดินตามล่องรอยของท่านใช่ไหมแต่งตัวให้ดีในวันที่จะตั้งจิตปรารถนานะเอสมาทานศีนตั้งจิตมั่นคงใช่ไหม ศึกษาว่าทำมีความรอบรู้ไปเสร็จไปนั่งหน้ารห้องพระคี่แล้วก็ตั้งจิตปรารถนาถ้าบางคนก็ทํากันอย่างนั้นนเละเคยคิดไหมกล้าไหมยังมีกล้าตรงนี้แหละแม้เราปรารถนาเป็นพระเจ้าในพระพุทธเจ้าปางก่อนนั้นด้วยใจเท่านั้นแล้วนับไม่ถ้วนเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นในตอนแรกๆเนาะนี่เราย่อเรื่อง เหลืออีกไม่กี่นาทีเนะพราะตอนกลางๆเนี่ยนะก็ตั้งวจีปณิธานดังที่ได้กล่าวขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้ามีชื่อว่าโคตามาในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนาวโคตามาในปัจจุบันนี้เทิดเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านตั้งปรารถนานี่เปล่งเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่รับพุทธบัญกรติใ น, นอีกเก้าเนี่ยนะก็ไล่ามาตามลําดับท่านก็เป็นพุ้ตการกรรมธรรมทำในการที่จะบ่มเพาะในการที่จะเป็นพระทเจ้าก็ไล่มาตามลําดับ ในที่สุดจริงๆก็นั่นแหละมาประชุมเป็นคือยี่สิบสิบหกอสงไข่นี่นะท่านเป็นอนิยตาโพธิสัตว์แต่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนเห็นไหมโอ้โหยาวนานขนาดนั้นนะเจ็ดบวกเก้านี่ยเขาเรียกไม่แน่นอนจนมาถึงนี่แหละในช่วงที่บอกว่าพระโพธิสัตย์นั้นน่ะ น, นะเป็นอนิยตาโพธิสัตว์ คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่แน่นักว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อใดได้เพียรพร้อมด้วยธรรมสโมโุทานการประบยบเหมาะและได้บรรลุโอกาสสําคัญคือเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้รับพุทธพยานกรจากสํานักของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นนิยตาโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าด้วยเหตุนั้นแหละธรรมสโมโุทานที่เป็นธรรมะจาเป็นอย่างยิ่งสําหรับพระโพธิสัตว์ ท elephant, Spain, mind, Candy, ั Thailand, AH ้งหลายต้องตั้งใจปรารถนาก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อความปรารถนาในธรรมสมโทฐานนั้นสาเร็จแล้วพุทธภูมิกาวคือความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าก็จะสาเร็จได้ในภายหลังอย่างไม่ต้องสงสัยในแปดประการนั้นนะก็มีบอกว่ามโนสตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารดาสนังปปัชฌคุณสัมปติอธิการโอจชันทตา อัทธาดัมสมสมโทนาาอาภินิหารสมิชาตติบอกว่าธรรมสมสมุทาน์ประการคือหนึ่งความเป็นมนุษย์เพศชายเนี่ยนะมีอุปนิสัยสมบัติการมรูลเป็นพระหานในชาตินั้นได้พบพระสัมมาสมุทเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทสมบูรณ์ด้คุณก็คือสมาบัติ8แล้วก็พินยาห้ากระทำการสละอันยิ่งใหญ่มีฉันท่ามีอุสาหะ บำเพ็ญพุทธการกรรมธรรมเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าอัธธสโมโธทานหรือธรรมสมโมทานทั้ง8ประการทีนี้ธรรมพิจารณาดูนั่นก็ต้องเริ่มไปอีกสียสงขายยิ่งด้วยแสนหมากับนี่นนะก็ว่าไปตามลำดับทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าในพนยตาพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคำว่าอุสาหะอุสาหะก็คือนิยตาพระโพธิสัตว์เนี่ย เมื่อได้รับพุทธพยญกรติแล้วย่อมจักสมาทานอุตสาหะพุทธภูมิธรรมพยายามยังจิตของตนให้ประกอบไปได้วยกุศลุตสาหะเขาบอกวความพยายามของท่านเหนียวแน่นมากให้มีความบากบั่นเพียรในการสร้างพุทธบารมียิ่งยขึ้นไปตลอดทุกชาติที่เกิดคือตอนนี้แรงมากเพราะจากสี่อสงจากเลย16อสงไขามานี่นะในช่วงจากสี่อสงไขามาช่วงนี้แรงมาก ท่านจะต้องปราถนาว่าทุกชาติที่เกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องบ่มบารมีก็แปลว่าปะเพททีว่าเร่งแล้วเอถ้าเราเคยเห็นนักกีฬานะเวลามากกีฬาเขาวิ่งระยะยาวอะ่ะใหม่ๆนี่เขาผ่อนก่อนใช่ไหมเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมเอามีการผ่อนไปเรื่อยๆใช่ไมสมัยก่อนนะี่ยมายังไม่ได้บวชนมาเป็นนักกีฬานี่จะผ่อนใหม่ๆเนะี่ยจะผ่อนผ่อนแล้วก็จะผ่อนก่อนนะ และและพอพอมันเริ่มสมมุติว่ามันมันจะเข้าสู่ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหแต่เนี้ยเลี้ยวแรงทั้งหมดเนี่ยรวมปุ๊บหมดละแต่เนี้ยเร่งอเร่งและเร่งแล้วยิ่งเร่งนะไม่ใช่ยิ่งพรนะอย่างเราเนี่ยประเภทนี้ต้นน้ําดีถ้าปายน้ําเหี่ยวเนี่ยุ่งเลยใช่ไหมมันต้องมันต้องค่อยๆที่แรกจริงๆนะเขาจะพอน แล้วก็ค่อยๆแรงมาเรื่อยแรงมาเรื่อยการว่าเป็นบา ร, รมีเป็นอย่างนั้นแหละสตาวิริยาสติสมาธิหรือการบอว่าท่านจะตั้งอัตฉริยะสายอุตสาหะท่านเนี่ยนะคือประเภทที่วิริยะเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของวิริยะเนี่ยถ้าเอาวิริยะมาขยายเนี่ยมันก็ไม่พอเวลาคือเวลาจํากัดมากอัดของวิริยะเนี่ยเยอะความเพียรเนี่ยมากใช่ไหมเพราะลักษณะความเพียรเนี่ย เริ่มลองคิดดูว่าความเพียงที่บอกว่าเนื้อและเลือดจงหายจงเหือดจงแห้งไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาและจักไม่หยุดเหงียนในการสร้างบารมีนี่คิดแบบนี้เราก็ตามท่านดูที่กล้าพูดดังๆไหมเนื้อและเลือดจงแห้งหายไปบางคนไม่กล้าพูดเลยนะ ถามว่าถ้าเนื้อมันหายไปเรื่อยเืยเลือดมันหายไปเรื่อยเเสียดายไหถ้าศรัทธาหายกันเนื้อเลือดหายอันไหนเสียดายมากกว่านจิงว่าแล้วทำไมเนื้อมันเพิ่มขึ้นศรัทธามันต่ำลงมันก็อยากเชื่อแล้วตอนนี้ใช่ไหมเอาใหม่อย่าบำรุงมากโลภขันนะให้บำรุงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มากใช่ไหม นำ ม, มาทำเหล่านี้ต้องเลี้ยงต้องให้อาหารต้องบม่ม <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราให้ความสนใจเรื่องรูปรันขันมากเกินไปใช่ไโอ้โหอย่างเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วเป็นยุคแห่งการดูแลรูปรันขันกันเลยใช่ไหมใช่เปิดชมลมดูแลศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาสักชมลมได้ไมั้ย บอกชมลมให้อาหารสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมบอกว่าชมลมให้อาหารเสริมสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทําได้ไหมไปตั้งขึ้นมาแต่เจ้าของชมลมต้องต้อ ง, องแน่นนะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมคืออุตสาหะอุมัตตาเนี่ยสมเด็จปัญญตานะ โพธิศาสตนั้นึงได้รับพุทธบุตรก่แล้วย่อมสมาทานนะอุมัตตาพุทธธรรมคือพยายามยางังจิตของตนให้ประกอบไปด้วยปัญญาญาณให้มีปัญญาเชี่ยวชาญก้าหาญเฉียบแหลมเพื่อ ย, ยังพุทธบรารมีให้เจริญยิ่งตลอดทุกชาติที่เกิดเขาบอกว่าความเพียรให้สังเกตดูนะว่าหนึ่งอันแรกเนี่ยเป็นอุตสาหะใช่ไหมในการปรารถนาพุทธภูมิยังจิตของตนให้ประกอบไปด้วยกุศลอุตสาหะ ก็คือว่าเพียรพยายามที่จะทําจิตให้เข้าถึงกุศลอมมัตตานี่ไม่ใช่เพียรในการจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิให้ยิ่งยวดเพราะปกติเนี่ยปัญญาในการที่จะคิดเป็นพระพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าหรือว่าสาวกนี่นะระดับของปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันนี้ทันตั้งท่านตั้งสัตทินสีไว้ที่สัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหม ท่านตั้งไว้ตรงนั้นทีนี้ปัญญาก็ต้องให้ถึงทีนี้พอปัญญาเนี่ยไปตั้งล้อมตรงนั้นไว้เบเสร็จเนี่ยตัวอมมตะตาเนี่ยคือวิริยะเนี่ยเข้าถึงอมมตะตาก็คือว่าพระบริษัทนั้นที่ได้รับพุทธบุตรก่แล้วเนี่ยท่านก็จะบ่มหรือพยายามยังยังจิตของตนเองเนะให้ประกอบไปด้วยปัญญาญาณเมื่อให้ประกอบด้วยปัญญาญาณเพื่อเชี่ยวชาญอาถารเฉียบแหลมเพื่อจะยังพุทธบารมีให้เจริญยิ่ง ก็แปลว่าเพียรพยายามในการที่จะดึงกระแสของสัมมาสัมพธิยาณไว้ในใจแล้วก็ทําความกล้าหาญเพราะวิริยะอีกศัพท์หนึ่งวี ร, ระนี่แปลว่ากล้าทําความกล้าในการที่จะฝ่าฟันอุบา ร, รคและไม่กลัวคนที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านไม่กลัวอุบาสกหรอกเพราะว่าความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นมาหมดท่านเอาความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมาไว้ในตนหมด คือคนอื่นทุก น, น้อยแต่พระองค์ยอมแบกทุกไว้ในตนเองทั้งหมดยืดระยะเวลาการเกิดของตอนเองนั้นจากสั้นให้เหลือยาวให้ยืดยาวลงไปก็ยอมตกนรกก็ยอมเป็นสัตว์ดิรดชานก็ยอมนะจะทนทรมานเขาบรรลุกันปรารถนาบรรลุแทบตายตัดสู้ได้ก็ยอมที่จะไม่ตัดสู้เนี่ยพระบพิสัตรท่านจะคิดอย่างนี้ ประการที่3คืออวัตถานะสมเด็จพระนิยตโพธิสัตว์นั้นนได้รับเรธยาเทศคือคําพยากรแล้วก็สมาทานอวัตถานาานะพุทธธรรมพยายามยังติดของจิตของตนให้ประกอบด้วยอธิษฐานอย่างมั่นอย่างมั่นใจเอาละความพยายามตรงนี้ไปเกาะติดไว้กับอธิษฐานเพราะอธิษฐานมีสมาสัมโพธิทานเป็นประทัดฐานมั่นคงตรงซื่อไม่ให้หวันไหวคลอนแคลนในการสร้างพุทธบา ร, รมีทุกภพทุกชาติ ไม่ไปเกาะไว้กับอธิษฐานบอกว่าถ้าจะเลิกล้มบอกว่าไม่ได้ขันนี้อธิษฐานแล้วจักบรรลุสัมมาสัมพธิยาณถ้าขันนี้ไม่ถึงสัมมาสมโพธิญาณบรมธรรมของสัมมาสัมพธิยาณกระแสขันนี้จักไม่ตัดสุขอ น, นี้กิเลสก็บอกว่ามันนานนะใช่ไหม อ, อกิเลสมารก็เตือนแล้วเ อ, อ้ยมันนานรีบตัดสู้ไปสิเนี่ยบรรลุเองก็ได้ใช่ไหมเออบรรลุตหนาพุทธเจ้าได้สบายสบายอยู่แล้วกิเลสก็เตือนวิริยะก็ละละกิเลสบอกไม่เอาบอกอย่ามาอย่ามารบกวนใจประเภทนั้นเลงไม่ปัดปัดความคิดนั้นออกจากกระแสขันบอกเกาะติดไว้การอธิฐานให้มัน่นคงบอกไม่ได้ เพราะกระแสขันนี้ตั้งใจไว้แล้วจะเป็นจะเข้าถึงสัมมาสัมพธิยาณจะบรรลุสภาวะพุทธะจะไม่เอาพุทธะประเภทอื่นไม่เอาปัจเจกพุทธะไม่เอาสาวกสาพุทธะไม่เอาอัคาราสาวกพุทธะแต่จะเอาสัมมาสัมพุทธะโอ้โหไม่ธรรมดานะมมากิเลสสมานก็รบกวนในกระแสขันใช่ไหมมัดุมานก็จะห้ามหันอภิสังขารมานก็จะคอยตัดรอน เทปุตมานภายนอกก็คอยรบกวนอุ่เยอะแยะหมดถามว่าพระองค์ฝ่าดงของมารได้อย่างไรลองไปคิดเอาไปคิดถ้าเรามาคิดตรงนี้ไม่ออกเนี่ยเราจะไม่รู้คุณของท่านนะอันนี้คือเรามองเจาะให้เห็นเห็นว่าทาไมปกติเนี่ยของเราเนี่ยมันต่อสู้กันตลอดสังเกตที่จะฟังทำเออมีธุระมันก็ไปธุระหมดแหละพอมีใครสกริดในใจหน่อยใช่ไหม โอ้โหงานเยอะเหลือเกินเนะี่ยเว้ยไม่ไปไม่ได้แล้วติดธุระงานอื่นก็จะสำคัญไหมงานอื่นสำคัญหมดแล้วฟังธรรมจะมาลำดับสุดท้ายหน้าอนาจใจจริงใช่ั้มถ้าเราดูโอ้กระแสขันท่าใายัตนะของเราท่านหลายอ่อนแออ่อนแอแต่ของพระโพธิสัตว์ท่านใหม่ประการที่สามูอท่านแข็งแรงมากคือท่านท่านตั้งมั่นไว้การอธิฐานคือตั้งใจแวไม่ถอย หมายคนที่ตั้งใจแล้วไม่ถอยเอาอะไรมาขวางหน้าก็ไม่หยุดเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าประเภทผิดด้วยนะถูกด้วยนะอย่างของเราเนี่ยถ้าผิดนี่แข็งแรงมางกทั้งใจด้วยทีเคยงอนพ่องอนแม่ออกจากบ้านไหมโอ้ยพ่อแม่ยิงว่ายิงเอาปใหญ่แล้วทีเนี้ยใช่ไหมของเราถ้าเดินผิดนี่แรงมากแต่ถ้าเดินถูกเบาๆใช่ไหมเออเนี่ยเป็นนี้แล้วก็ละซะไอ้ความคิดตรงนั้นเน่ะกระแสวิธีคิดตรงนั้นก็ถอดรหัสออก ว่าความคิดไม่ดีมันแรงความคิดดีมันอ่อนทีนี้ความคิดดีเนี่ยต้องแรงกว่าความคิดไม่ดีประการต่อมาคือหัตถจริยาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเมื่อ ไ, ได้รับภาษาโบราณเขาเรียกว่ารัทธยาเทศคำพยากรรัฐยาเทศคำพยากรเห็นไหมถ้ายมได้ยินคําว่ารัทธยาเทศคำพยากรณยอมเข้าใจไหมอาจจะเข้าใจไหมศัพ์เนี้ย พันิยตาโพธิสัตว์หลังได้รับรัธยาเทศคัมภยากรแล้ว อ, อย่างเงี้ยแต่จะเย็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือได้รับพุทธภิญญกรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนแล้วอย่างนี้เขาเรียกนิยตาโพธิสัตว์หัตถะจริยาของท่านก็คือสมาทานหัตถะจริยาพุทธธรรมก็คือว่าพยายามยังจิตของตนให้ประกอบไปด้วยเมตตาให้มีความสงสารให จักบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทุกท่วนหน้าอยู่เนืองนิดตลอดทุกชาติที่เกิดต้หมายความว่ายังจิตให้เมตตาด้วยยังจิตให้กรุณาด้วยใช่ไมบอกว่าเราต้องกรุณาสะตทิศถ้ากรุณาตักเตือนแล้วเนี่ยเวลาจะหยุดเนี่ยหยุดไม่ได้ออคนหยุดคนหยุดทาดีไม่ได้เนี่ยแปลว่าความดีมันติดลมบนแล้วใช่ไหม อย่างเราเนี่ยการหยุดทําความดีหยุดง่ายหรือหยุดยากถ้าจะสวดมนต์ลแล้วหยุดสวดมนต์เนี่ยการจะสวดมนต์ต่ออันไหนอันไหนยากอันไหนทำยากอันไนทำง่ายหยุดสวดเนี่ยทำง่ายใช่ไหมเอาคิดกุศลเนี่ยคิดกุศลเนี่ยคิดถึงความคิดถึงการเจร ين, ิญกุศลทานนกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยการคิดให้ต่อเนื่องกับการหยุดคิดเนี่ยไหนทําง่าย เนี่ยไม่มีหัตถจริยาถ้าคนที่มีหัตถจริยาอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่หยุดหรอกท่านมีเมตตาต่อบุคคลอื่นถ้าหยุดใช่ไหมความเต็มเปี่ยมของบา ร, รมีก็ช้าลงใช่ไหมแล้วกรุณาของบุคคลอื่นเนี่ยก็ตักเตือนว่าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็เหมือนเนี่ยเหมือนคนจนหรือคนที่จะสร้างฐานะ เขาเพียรพยายามนะเขาไม่หยุดหรอกสังเกตดูนะว่าตีสี่ตีห้าออกจากบ้านแล้วโวูตะรอนตะรอนเลยอ่ะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยสังเกตไหมโยขยันกันขนาดนั้นเลยนะวิ่งทำงานกันหามลุงหามค่ำายู่ไเขาไม่หยุดเราลองพิจเจริญกุศลแบบนั้นดูทีจเจริญแบบไม่หยุดย่อนนะ่ะ ทีนี้การเจริญกุศลแบบไม่หยุดหย่อนเราคิดว่ามันจะเครียดไหมเอาเครียดไม่เครียดถ้าเจริญกุศลเครียดเนี่ยเจริญผิดเพราะกุศลเนี่ยประกอบด้วยสมณะกับอุเบกขาแล้วมีปลาโมดปีติปัสสติความสุขนั้นกุศลยิ่างเจริญยิ่งได้รับความสุขยิ่งได้รับความเอิบอิ่มไอ้ที่เครียดเนี่ยมันผิดเช่นบงคลไปนั่งกรรมฐานแล้วเครียดนอนผิดมันเดินทางผิดแล้วเรียนหนังสือแล้วเครียด ลองไปดูโรงพยาบาลกิตเวสอาตมาก็ไปเยี่ยมมีลูกศิษย์อยู่สองคนพอไปเยี่ยมปุ๊บมันก็จำได้เขาร้องไห้ออกมาเขาบอกเขาหายบ้าแล้วให้ฟังแล้วก็สลดใจเปลี่ยนบาญธรรมรยังไม่ใจปฏิบัติธรรมแล้วเพียนที่จริงที่จริงเห็นไหมว่าเขาไปเดินอกุศล การขัดเกลาคําสอนพระเจ้าต้องละบาปอันนี้เขากลับไปทําบาปไปเพิ่มเพิ่มมีเสียเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเพี้ยนผิดแล้วยังต้องเป็นผู้ประกอบไปได้ภาวนาสี่นะสัพพาสัมภาราภาวนาคือต้องบําเพ็ญบารมีทุกอย่างโดยไม่มีการละเวน้นนิรันตะตราภาวนาคือต้องบําเพ็ญบารมีทุกชาติโดยไม่มีระหว่างขั้นตลอดสี่แสนเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมาหมากับกิราการาภาวนาคือต้องบำเพ็ญบารมี เสีย ส, สงขายยิ่งด้ยแสนกลับเนี่ยนะโดยไม่ย่อหย่อนแม้แต่กลับเดียวแล้วก็จักกัดจ่าภาวนาคือจะต้องบําเพ็ญบา ร, รมีด้วยความเคารพคือทำเป็นทำให้เป็นของหนักไม่ใช่สักดิ์แต่ว่ากระทําเท่านั้นก็หมายความว่าต้องตระหนักในสิ่งที่กระทำฉะนั้นจำเนียนการอย่างการเสวยพระชาติในการที่บําเพ็ญบา ร, รมีพระองค์ก็บ่มเพาะมาตามลําดับดังที่ได้กล่าวและในที่สุดจริงๆก็สามารถจะเข้าถึงเส้นทางอันยาวไกลเกี่กการที่จะบรรลุ เป็นต้นเหล่านี้ได้ทีนี้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราศึกษาคำสอนแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความกระจ่างชัด <c oughs> เขาเรียกว่าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดแจ้งเ <c oughs> ช่นถ้าเราสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อสาธยายไปแล้วก็จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเกิดความเห็นคุณของพระบรมศ า, ศาสดาเป็นต้นเหล่านี้นะ่ <c oughs> นี้หมดเวลายอยูอย่หมดแล้วนี